วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมพุทธศักราช2563เป็นวันที่พวกเราชาวพุทธได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษามาเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนา เพื่อจะได้นำเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองและกับผู้อื่นต่อไปวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปกับโลกนี้เป็นเวลาอันยาวนานว่าเราจะ รักษาพระพุทธศาสนานี้ไว้ได้อย่างไร mm. สิ่งแรกที่เราต้องรู้ก่อนว่าพระพุทธศาสนานั้นอยู่ที่ไหน mm. พระพุทธศาสนา mm. ที่แท้จริงนี้อยู่ในใจของผู้ที่บรรลุธรรมคือในใจของพระอริยะบุคคล ในใจของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระาอารหันต์พระพุทธเจ้านี่คือที่ตั้งของพระพุทธศาสนาที่แท้จริงส่วนสิ่งที่อยู่ภายนอกใจเช่นวัดว า, ารามต่างๆถาวรวัตถุ พระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆที่เรากราบไหว้บูชากันนั้นไม่ได้เป็นตัวที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนามีตัวแทนก็ได้ไม่มีตัวแทนก็ได้ไม่สำคัญเพราะว่าไม่ได้เป็นตัวของศาสนา ตัวศาสนานี้คือพระธรรมที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้ตัดสรุได้บรรลุ ถ, ถึงนี้อยู่ในใจที่ไม่มีใครสามารถที่จะมาทำลายได้ดังนั้นถ้ามีใครเขาพยายามที่จะมาทำลายถาวาวัตถุต่างๆ เช่นวัดวาอารามโบสถ์เจดีย์พระพุทธรูป mm hmm. หรือแม้กระทั่งเผาหนังสือพระไตรปิฎก mm hmm. เราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปวิตกไปกังวล mm hmm. เพราะสิ่งที่เขาทำลายนั้นไม่ได้เป็นตัวพระพุทธศาสนา mm hmm. ตัวพระพุทธศาสนานี้เขาทำลายไม่ได้ ามันอยู่ในใจของพระ อ, อริยบุคคลถ้าเราต้องการที่จะอนุรักษ์พระพุทธศาสนาให้อยู่กับในโลกนี้ไปนานๆเราก็ต้องสร้างธรมให้เกิดขึ้นมาในใจของพวกเราทุกคนให้ใจของพวกเราเป็นใจของพระ อ, อริยบุคคลให้เป็นพระโสดาบันพระสกิดาคางนี พระ อ, อนาคามีพออาาระอรหันต์แล้วเวลาใครเขาไปทำลายวัดวาอารามทำลายพระพุทธรูป<ม>เราก็สร้างใหม่ได้ของพวกนี้เป็นของที่มีเกิดก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาของที่เป็นถาวรและวัตถุต่างๆนี้ถึงแม้ไม่มีใครมาทำลาย การเวลามันก็จะทำลายของมันไปเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนของที่อยู่ภายนอกใจนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนแต่ของที่อยู่ในใจนี้เป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอาการลิโกทมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุนี้ไม่ได้สูญหายไปจากการ สเสด็จตัดขันธพระพนิพพานของพระพุทธเจ้าทำที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสร้นี้ยังอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าทำที่อยู่ในใจของพระอาหารหันตสาวกก็ยังมีอยู่ในใจตลอดเวลาไม่ว่าท่านจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ตามแต่ถ้าท่านยังมีร่างกายอยู่ ท่านก็จะสามารถนำธรรมที่ท่านมีอยู่ในใจนี้ออกมาเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้เพื่อให้ผู้อื่นได้สร้างธรรมอันนี้ให้เกิดขึ้นมาในใจของตนเองดังนั้นวิธีการของการที่เราจะมาอนุรักษ์รักษาปกป้องพระพุทธศาสนานี้ เราต้องทำตามขั้นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนให้พวกเรากระทำกันคือขั้นตอนที่หนึ่งให้พวกเราศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาเพื่อให้เรารู้วิธีที่จะทำให้เราสร้างพระธรรม หรือภาษาศาสนานี้ให้เกิดขึ้นมาภายในใจของพวกเราพอเราได้ศึกษาแล้วเราก็นำเอาความรู้ที่เราได้ศึกษานี้ไปสร้างศาสนาไปสร้างธรรมขึ้นมาใ น, ในใจของพวกเราแล้วพอเราได้ปฏิบัติตามคำสอนไม่ช้าก็เร็วเราก็จะบรรลุธรรมกัน เราก็ได้สร้างาศาสนาขึ้นมาในใจของเราพอเรามีาศาสนาในใจของเราแล้วเราก็สามารถเผยแผ่าศาสนาให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้นี่คือ4ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่หนึ่งคือศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธ เ, เจ้าขั้นตอนที่สองปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าขั้นตอนที่สามถ้าได้ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดตอนไม่ช้าก็เร็วก็จะได้บรรลุธรรมต่างๆที่ได้จากการปฏิบัติทมที่บรรลุธรรมนี่แหละเป็นศาสนาเป็นของแท้ของจริง ที่หลังจากผู้ที่ได้บรรลุถึงธรรมขันนี้แล้วก็สามารถที่จะนาเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้และเมื่อผู้อื่นได้ยินได้ศึกษาได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติก็จะสามารถสร้างศาสนาขึ้นมาในใจของเขาได้ถ้าลองมีศาสนาอยู่ในใจแล้ว ไม่มีใครสามารถที่จะไปทำลายได้แม้แต่การตายของร่างกายก็ไม่สามารถไปลบล้างศาสนาที่มีอยู่ในใจของผู้ที่ตายได้อันนี้แหละเป็นวิธีที่ถูกต้องในการรักษาศาสนาและในการถ่ายทอดศาสนาให้แก่ผู้ที่มาทีหลัง คืออนุชนรุ่นหลังเพื่อที่เขาจะได้เป็นผู้สืบทอดศาสนานี้ให้อยู่ไปนานๆต่อไปการรักษาศาสนานี้มีการรักษามาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ทรงบรรลุ ธ, ธรรมตัสรูธรรมแล้วก็ทรงนําเอาธรรมนี้ มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นผู้ที่ได้ยินได้ฟังก็นำมาไปปฏิบัติพอได้ปฏิบัติก็ได้บรรลุธรรมกันได้สร้างศาสนาขึ้นมาภายในใจแล้วท่านเหล่านั้นก็นำเอาศาสนาที่มีอยู่ในใจของท่านไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไป อันนี้ก็เลยเป็นการถ่ายทอดาศาสนาจากใจหนึ่งสู่อีกใจหนึ่งและมีการถ่ายทอดมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้เช่นวันนี้พวกเราก็มาทำการสืบทอดมาถ่ายทอดกันมาเรียนรู้เรื่องของธรรมเพื่อเราจะได้นำเอาไปปฏิบัติ แล้วต่อไปเราก็จะบรรลุธรรมขึ้นมาเราก็จะมีศาสนาอยู่ในใจของพวกเรานี่แหละคือศาสนาที่แท้จริงอยู่ในใจของพวกเราวิธีที่จะอนุรักษ์รักษาศาสนาให้อยู่ไปนานๆในโลกนี้ก็อยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่การบรรลุธรรม อยู่ที่การเผยแผ่ธรรมถ้าตาบใดยังมีการศึกษาพระธรรมคําสอนอยู่ยังมีการปฏิบัติธรรมที่ได้เรียนรู้อยู่และมีการบรรลุธรรมขั้นต่างๆอยู่และมีการเผยแผ่ธรรมที่ได้บรรลุให้แก่ผู้อื่นตาบนั้นพระพุทธศาสนา จะไม่มีวันหายไปจากโลกนี้ถึงแม้ว่าจะมีสงครามมีระเบิดนิวเคลียร์ที่มาทำลายวัตถุต่างๆทำลายวัดวาอารามทำลายโบสทํทำลายเจดีย์ทำลายพระพุทธรูปแต่ถ้ายังมีาศาสนาอยู่ในใจอยู่ก็ยังสามารถที่จะ เผยแผ่ศาสนาต่อไปได้นี่แหละคือสาระสำคัญเรื่องของศาสนาของพวกเราทุกคนไม่ได้อยู่ที่วัดวาอรามไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปไม่ได้อยู่ที่โบส ท, ที่เจดีย์ที่ศาลาที่วิหารอะไรต่างๆสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงตัวแทนของศาสนาเท่านั้นเป็นบริวารของศาสนา ไม่มีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ได้ทําให้าศาสนาโหดหายไปในยุคที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสัตวและทรงประกาศพระธรรมคาสอนในช่วงแรกๆนี้ไม่มีวัดว า, ารามไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีไม่มีพระพุทธรูปเพราะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นตัวาศาสนานั่นเองตัวของาศาสนาก็คือมีการแสดงธรรม พระพุทธเจ้าแสดงธรรมสั่งสอนธรรมเพื่อให้ผู้ที่ไม่รู้ธรรมได้ศึกษากันหลังจากที่เขาได้ศึกษาแล้วเขาก็นำเอาไปปฏิบัติกันพอเขาปฏิบัติเขาก็บรลุธรรมกันพอบรรลุธรรมแล้วเขาก็นำธรรมที่เขาได้บรรลุนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้้นต่อไป ยุคนักแรกนี้ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์ไม่มีวัดวาอารามแต่มีพระอาหารหันต์พระอริยบุคคลมากมายการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าก็ทำให้มีพระอริยบุคคลปรากฏขึ้นมานหนึ่งท่านคือพระอาญญานโกนทัญญาแล้วหลังจากที่ได้แสดงธรรมอีกครั้งสองครั้ง ก็ทำให้มีพออระอรหันต์ปรากฏขึ้นมาห้าท่านด้วยกันบรรลุธรรมห้าท่านห้าท่านด้วยกันคือพระปัญ จ, ญจวัคคีย์ทั้งห้าหลังจากได้ฟังธรรมแล้วน้อมธรรมเอาไปปฏิบัติไปทำลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาตัวที่แท้จริงที่ตัวที่ปิดกั้นาศาสนาหรือตัวที่จะทำลายาศาสนานี่แหละ คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในจิตในใจของพวกเรา<ม>เป็นตัวที่พวกเราถ้าต้องการจะอนุรักษ์ศาสนาหรือสร้างศาสนาให้อยู่ไปนานๆเราต้องมาทำลายตัวนี้ค<ม>้าศึกศัตรูของศาสนาที่แท้จริงนี้คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาตัวที่จะมากีดขวาง การความเจริญของพระพุทธศาสนาหรือตัวที่จะมาทำลายศาสนาไม่ได้อยู่ที่บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ไม่ได้อยู่ที่ศาสนานั้นศาสนานี้ไม่มีอะไรในเ่อกนี้ที่จะมาทำลายหรือปิดกั้นศาสนาพระพุทธศาสนาได้นอกจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในจิตใจของพวกเราทุกคนนี่แหละ เราจรึงต้องมาทำลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจเพราะเมื่อเราได้กำจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วธรรมก็จะปรากฏขึ้นมาวิมุติธรรมก็ปรากฏขึ้นมานิพพานก็จะปรากฏขึ้นมานี่แหละคือตัวศาสนา คือวิมุตติบุตรพ้นจากความทุกข์นิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเกิดขึ้นมาได้เพราะการทาลายโมหะอาวิชชากิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมให้กับพระปัญจวัคคีย์ก็ทรงสอนให้กาจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชา พอพระบัญจวัวัีน้อมนำมาไปปฏิบัติด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญา<ม>ก็สามารถทำลายกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจได้ทำให้เป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาอีกห้ารูปรวมถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นหกรูป<ม>ก็ถือว่ามีหกวัดแล้ว 6วัดได้ปรากฏขึ้นมาแล้วแล้วพอท่านเหล่านี้ได้บรรลุแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้กระจายกันไปแยกทางกันไปเผยแผ่พระธรรมอันประเสริฐนี้ให้แก่สัตว์โลกต่อไปพอท่านกระจายไปไปแสดงธรรมตามสถานที่ต่างๆมีผู้ที่สนใจน้อมนำเอาไปปฏิบัติก็ปรากฏเป็นพระ อาหันเพิ่มขึ้นมาตามลําดับมีวัดเพิ่มขึ้นมาตามลําดับวัดที่แท้จริงอยู่ที่ใจของพวกของผู้ปฏิบัติของผู้ที่บรรลุธรรมเป็นวัดที่ไม่มีใครทําลายได้นอกจากการเวลาเท่านั้นถ้าท่านตายไปท่านก็จะไม่สามารถที่จะเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ แต่ก่อนที่ท่านจะตายนี้ท่านมีเวลามากมายท่านสามารถที่จะเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่ไม่รู้นี้ได้อย่างมากมายอย่างกว้างขวางดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าหลังจากที่ตัดสัตวแล้วหลังจากที่แสดงธรรมครั้งแรกแล้วนี้อยู่ถึงส5สปีด้วยกันท่านก็มุ่งไปที่การเผยแผ่ธรรมะเพียงอย่างเดียว ไม่เคยไปคิดสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดวาอารามอะไรต่างๆพระพุทธเจ้าไม่เคยสร้างวัดแม้แต่วัดเดียวแต่สร้างวัดในใจเป็นหมื่นเป็นแสนวัดด้วยกันคือสร้างพระอริยบุคคลขึ้นมาเป็นหมื่นเป็นแสนรูปด้วยกันด้วยการแสดงธรรมพองค์ทรงสแสดงธรรมเป็นกิจวัตรประจําวันอยู่ถึง วันละสี่ครั้งด้วยกันเรียกว่าพุทธกิจพุทธกิจนี้มีห้าข้อด้วยกันในหข้อนี้มีการแสดงธรรมอยู่ถึงสี่ข้อด้วยกันคือในตอนบ่ายทรงแสดงธรรมให้แก่ศรัทธาญาติโยม ใ, ในตอนค่ำทรงแสดงธรรมให้แก่ภิกษุภิกษุณี ใ, ในยามดึกทรงแสดงธรรมให้แก่เทวดาทั้งหลาย ในยามเช้าก่อนที่จะเสด็จออกบินธบาต ท, ทรงเร่งยานดูว่าจะไปแสดงธรรมโปรดใครเป็นกรณีพิเศษในวันนัน้นนี่คือภารกิจที่พระพุทธเจ้าทรงบาเพ็ญอย่างต่อเนื่องทุกวันทุกเวลายกเว้นเวลาที่ประชวนเท่านั้นเวลาที่ไม่สบายที่ไม่สามารถที่จะแสดงธรรมได้ นอกนั้นแล้วพระองค์ทรงถือเป็นกิจวัตรประจำวันเราเรียกว่าพุทธกิจ5กิจที่หาก็คือการออกบินทบาทโปรดสัตว์นั่นเองพระองค์ก็ต้องทรงเลี้ยงร่างกายของพระองค์เองและวิธีเลี้ยงร่างกายของพระองค์ที่ดีที่สุดที่เป็นประโยชน์มากที่สุดก็คือการบินทบาทเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของพระองค์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้าได้สายบาศกับพระพุทธเจ้า <Yeah. S 2> ได้บุญได้กุศล <Yeah. S 2> ได้เข้าถึงพระพุทธเจ้า <Yeah. S 2> บางท่านได้พบกับพระพุทธเจ้าในระหว่างบิณทบาท <Yeah. S 2> ก็ขอธรรมะแบบสั้นๆพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมให้ฟังอย่างสั้นๆ <Yeah. S 2> ก็สามารถบรรลุเป็นพาาาระอรหันต์ได้เลย น, นี่แหละคือกิจวัตรประจําวันของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เสียเวลากับการไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างถาวรวัตถุต่างๆสร้างพระพุทธรูปสร้างอะไรต่างๆแต่ทรงสร้างวัดในใจของสัตว์โลกด้วยการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะเพราะว่า เมื่อผู้ได้ยินได้ฟังทำแล้วก็จะได้รู้วิธีสร้างวัดสร้างศาสนาขึ้นมาว่าสร้างอย่างไรแล้วพอรู้วิธีก็นำมาไปสร้างกันพอสร้างกันแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ได้วัดขึ้นมาในใจได้ศาสนาปรากฏขึ้นมาในใจคือได้บรรลุ ธ, ธรรมขั้นต่างๆนั่นเองถ้าได้รับบรรลุ ธ, ธรรมขั้นที่หนึ่งคือพระโสดาบันแล้วนี้ การก่อสร้างมันก็จ ะ, จะเจริญไปอย่างไม่มีวันหยุดจากขั้นที่หนึ่งก็จะก้าวขึ้นสู่ขั้นที่สองขั้นที่สขั้นที่สีตามลำดับโดยอัตโนมัติ <c oughs> จะไม่มีวันถอยกลับอาจจะมีช้าบ้างเร็วบ้าง <c oughs> เกี่ยวกับเหตุการณ์ของแต่ละท่าน <c oughs> บางท่านอาจจะยังมีภารกิจเกี่ยวข้องอยู่ทำให้ยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่าง ต่อเนื่องอาจจะเสียเวลากับภารกิจอย่างอื่นหรือบางท่านมีสติปัญญาที่ไม่แหลมคมไม่ฉลาดก็อาจจะต้องใช้เวลาแต่ไม่ช้าก็เร็วก็จะสามารถสร้างวัดได้อย่างสมบูรณ์คือได้บรรลุเป็นพระอารหันตสาวกขึ้นมาแล้วพอท่านได้บรรลุเป็นพระอารหันตสาวกแล้วท่านก็จะนำเอา วิธีสร้างวัดนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้หนึ่งทอดหนึ่งพระพุทธศาสนาของพวกเราจึงเจริญรุ่งเรืองมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าถาวรและวัตถุต่างๆนั้นได้เสื่อมได้ถูกทำลายไปก็ไม่ได้บางทำลายพระพุทธศาสนา วัดวาลามสมัยพระพุทธเจ้านั้นตอนนี้ก็กลายเป็นซากปหลัดหักพังไปหมดแล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นกฎธรรมดาของโลกคือกฎอนิจจังมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดามีเกิดก็มีดับธรรมดาเป็นธรรมดาแต่สิ่งที่เกิดที่ดับเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวาศาสนา เพราะฉะนั้นพวกเราไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปห่วงใยถ้ามีใครจะมาคิดทำลายโบสถ์ทำลายเจดีย์ทำลายวัดวารางทำลายถาวรและวัตถุอะไรต่างๆเหล่านี้เราไม่ต้องกังวลสิ่งที่เราต้องกังวลคือกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี่แหละที่เป็นตัวที่จะมาทำลายการสร้างวัดของพวกเรา ถ้ายังมีกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาอยู่นี่เราจะไม่สามารถสร้างวัดให้สำเร็จได้ก <c oughs> ารที่เราจะสร้างวัดให้สำเร็จได้นี้เราต้องมากำจัดกิเลสตัณหาต่างาต่างๆโมหะอาวิชชาให้หมดไปจากใจให้ได้ถ้าเราทำลายได้หมดแล้วเราก็จะได้วัดได้ศาสนาขึ้นมาใน ใ, นใจของพวกเราแล้วเราก็สามารถที่จะเอา ศาสนาที่มีอยู่ในใจของพวกเหล่านี้ไปสอนผู้อื่นได้อีกทอดหนึ่งทำให้ผู้ที่ไม่มีศาสนาในใจได้มีศาสนาขึ้นมาอีกทอดหนึ่งดังนั้นไม่ว่าวัดวารามถทาวารและวัตถุต่างๆนี้จะถูกทาลายไปจากบุคคลนั้นก็ดีบุคคล น, นี้ก็ดีหรือจากการเวลาก็ดีก็เป็นเรื่องธรรมดา ไม่ได้เป็นการทำลายศาสนาแต่อย่างใดศาสนาอยู่ในใจของผู้ปฏิบัติ <Yeah. S 1> ของผู้บรรลุธรรมถ้าต้องการให้มีศาสนาปรากฏขึ้นมาในใจเราก็ต้องศึกษาพระธรรมคำสอนกันศึกษาแล้วก็ปฏิบัติพระธรรมคำสอนปฏิบัติไปแล้วเดี๋ยวก็จะบรรลุธรรมขึ้นมาเอง <Yeah. S 1> บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกขึ้นมา แลวเราก็จะได้มีศาสนาอยู่ในใจของเราที่เราสามารถที่จะนำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เรากลับไปมัวสร้างวัดกันสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันไปคอยรักษาถาวรละวัตถุต่างๆโดยที่ไม่สนใจกับการศึกษากับการปฏิบัติ กับการบรรลุธรรมกับการเผยแผ่ธรรมเราก็จะไม่มีศาสนาเรามีวัดวารามนะมีถาวารวัตถุมากมายสวยงามวิจิตรพิสดารแต่ในใจของพวกกลาชาวพุธไม่มีธรรมกันไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกกันศาสนาก็จะหายไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกว่าเราได้สูญเสียศาสนาอันล้ำค่าไป เพราะเราไปคิดเราไปมองว่าศาสนาอยู่ที่ถาวรและวัถตถุต่างๆอยู่ที่วัดวารามที่สวยงามสมัยนี้ชาวพุทธเหล่านี้กำลังหลงทางกันอยู่ mm hmm. เห็นมีการก่อสร้าง mm hmm. วัดวารามกันยิ่งใหญ่สร้างพระพุทธรูปต่างๆสร้างรูปเหมือนของครูบาอาจารย์ต่างๆของภาพปฏิสุสปติปันโนต่างๆ สร้างอย่างใหญ่โตมหาริหารสร้างเป็นเป็นแบบเหมือนกับตึกราฟ้าเลยสูงสร้างพระพุทธรูปขณะนี้อยู่ในกลางกรุงเนี่ยอันนั้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนาเป็นเพียงแต่ตัวแทนเท่านั้นเองเป็นเหมือนป้ายโฆษณาของสินค้าไม่ใช่ตัวสินค้าเวลาที่เราเห็นป้ายโฆษณา โฆษณาสินค้าต่างๆนั้นเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นสินค้าเช่โนโฆษณารถยนต์โฆษณาคอนโดโฆษณาสินค้าอะไรต่างๆนั้นมันเป็นเพียงป้ายโฆษณาเท่านั้นเองมันไม่ได้ทำให้เรามีสินค้านั้นขึ้นมา ท, าทันทีเวลาที่เราได้เห็ น, นเห็นป้ายโฆษณาเหมือนกับเวลาที่เราเห็นพระพุทธรูปเราไปกราบพระพุทธรูปกราบโบสกราบเจดีย์นี่ อย่าไปคิดว่าเราได้ศาสนาเราไม่ได้อะไรเลยมันเป็นเพียงแต่ป้ายโฆษณาของศาสนาถ้าเราอยากจะได้ศาสนาเราต้องทําตามที่พระพุทธเจ้าสอนศึกษาปฏิบัติบรรลุ ธ, ธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมต่อไปอันนี้แหละเป็นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราได้ศาสนา มาเป็นสมบัติของเราและได้เผยแผ่ศาสนาให้กับผู้อื่นเพื่อให้ศาสนานี้ได้อยู่ในโลกนี้ต่อไปเป็นเวลาอันยาวนานเพราะฉนั้นอย่าไปกังวลกับเรื่องการสร้างถาวรวัตถุมากจนเกินไปถาวรวัตถุก็มีส่วนที่จำเป็นเช่นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณร ของผู้ปฏิบัติธรรมผู้ที่จะปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมก็ต้องมีที่อยู่อาศัย mm hmm. ก็ถ้าจำเป็นจะต้องสร้างก็สร้างแต่สิ่งที่จำเป็น mm hmm. สิ่งที่ไม่จำเป็นนี้ไม่ต้องสร้างก็ได้เจดีย์นี้ไม่ต้องสร้างก็ได้โบสถ์นี้ไม่ต้องสร้างก็ได้สามารถทำพิธีกรรมในศาลาได้หรือเป็นโบสถ์ธรรมชาติก็ได้คาว่าโบสถ์ก็คือ สถานที่ไว้ประกอบกิจกรรมทางศาสนาไม่ต้องมีโบสถ์ก็ได้เนี่ยมีที่ไหนเราจะตั้งเขตขึ้นมากาหนดเขตขึ้นมามีสถานที่มีร่มไม้ชายคาแล้วเราก็ไปกำหนดว่าเป็นสถานที่ประกอบกิจของศาสนาได้ทำเป็นโบสถ์ได้ทำเป็นที่ทพิธีกรรมต่างๆได้ไม่ต้องสร้างโบสถ์ก็ได้ อย่างวัดสวนโมกมับรู้สึกว่าจะมีมีที่ประกอบโดยที่เป็นลานหินหรืออะไรเนี่ยท่านก็กำหนดขึ้นมาว่านี่คือบริเวณที่จะทำพิธีกรรมทำการบวชทำการสวดปฏิโมกข์อะไรต่างๆเหล่านี้สมัยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์กันท่านก็ทำศาสนาพิธีของท่านได้ตามธรรมะจัดสรร อยู่ที่ตรงไหนก็สามารถทำกิจกรรมได้เพราะกิจกรรมไม่ได้อยู่ที่สถานที่อยู่ที่บุคคลถ้าไม่มีบุคคลเนี่ยสร้างถาวราวัตถุต่างๆก็ไม่มีใครเข้าไปทำกิจกรรมอะไรต่างๆดังนั้นบางอย่างถาวรวัตถุบางอย่า ง, าาา ง, างนี้บางทีไม่จำเป็นต้องเสียเวลาไปสร้างให้เสียเวลาประ า, าเอาเวลามาสร้างในสิ่งที่ สำคัญที่จำเป็นดีกว่าคือเอาเวลามาศึกษาทมปฏิบัติธรรมแล้วก็บรรลุธรรมแล้วก็เผยแผ่ธรรมดีกว่าถ้าต้องสร้างก็สร้างสิ่งที่จำเป็นเช่นที่อยู่อาศัยผู้ปฏิบัติก็ต้องมีอยู่ที่อยู่อาศัยไว้หลบแดดหลบฝนแล้วก็อาจจะต้องมีศาลาเพื่อที่จะทากิจกรรมร่วมกันเช่นเวลารับประทานอาหาร เวลามาประชุมกันมาฟังเทศฟังธรรมกันมาศึกษาธรรมกันก็อาจจะต้องมีศาลาไว้เป็นที่กระทั่งนอกนั้นแล้วจะสร้างก็ได้ไม่สร้างก็ได้ไม่ห้ามแต่ก็ไม่สนับสนุนเอาเวลามาสร้างาศาสนาในใจของเราดีกว่าถ้าต้องเสียเวลากับการไปหาเงินทองแล้วมาสร้างโบสสร้างเจดีย์ เอาเวลาที่จะไปไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ไปหาเงินทองนี้มาสร้างโบสถ์ในใจเราดีกว่าสร้างศาสนาในใจเราดีกว่าการสร้างศาสนาในใจเรานี้ไม่ต้องหาเงินหาทองไม่ต้องเสียเงินเสียทองเพียงแต่ว่าขอให้เรามีเวลาเท่านั้นเองมีเวลาที่จะศึกษามีเวลาที่จะปฏิบัติมีเวลาที่จะบรรลุ ธ, ธรรมเท่านั้นเอง พอบรรลุธรรมแล้วเราก็จะสามารถเผยแผ่ทำให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ก็จะทำให้ทให้ศาสนาของพวกเราอยู่ไปอีกยุคหนึ่งเช่นเราเราอยู่ในยุคนี้เราบรรลุธรรมเราก็สอนอนุชนที่ตามมาทีหลังสอนตั้งแต่เด็กขึ้นมาเลยก็ได้สอนเรื่องวิธีการกระทาที่ถูกต้องในทางศาสนา แล้วต่อไปเขาก็จะบรรลุธรรมบรรลุธรรมแล้วเขาก็จะทําหน้าที่แทนพวกเราต่อไปได้ศาสนาก็จะอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดลงเพราะเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาแบบที่เราทําหน้าที่ของเรากันถ้าเราไปสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เดี๋ยววันเวลามันก็เสื่อมได้หมดได้แล้วก็ถ้าไม่มีเงินไม่มีทองก็ ไม่สามารถที่จะไปรักษาไปไปไปซ่อมแซมไปปฏิสังขรได้ก็ต้องปล่อยให้มันเสือ่อมทรมไปแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรอย่างที่บอกไว้แล้วว่าศาสนาพุทธนี้ไม่ได้อยู่ที่ถาวรวัตถุไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ที่เจดีย์ไม่ได้อยู่ที่พระพุทธรูปแต่อยู่ที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ขอให้เราอนุรักษ์พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติด้วยการบรรลุธรรมแล้วใจของเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆใจของเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปใจของเราจะได้ทําประโยชน์ให้แก่โลกด้วยการเผยแผ่ทำมันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และนำเอามาเผยแผ่ให้แก่พวกเรานี่คือสาระสาคัญของศาสนาอยู่ที่ใจของพวกเราเราต้องศาสนาทั้งศาสนาขึ้นมาในใจของพวกเราให้ได้ในวิธีที่จะสร้างก็ต้องคอยกำจัดข่าศึกศัตรูของศาสนาก็คือกิเลสตัณหาโมหะอวิชานี่เองวิธีที่เราจะ ต่อสู้หรือกำจัดกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาพระพุทธเจ้า ก, ก็ทรงสอนไว้ว่าเราต้องละา ก, การกระทำบาปทั้งปวงสองเราต้องสร้างบุญกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามเราต้องชำระกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจของพวกเรานี่คือ วิธีการที่เราจะสร้างโบสถ์สร้างศาสนาขึ้นมาในใจของพวกเราต้องสร้างด้วยการละการกระทําบาปต่างๆและสร้างด้วยการสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆสร้างด้วยการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์กาจัดความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปให้ได้ เพราะถ้ากิเลสตัณหาหมดสิ้นไปแล้วทำมันประเสริฐที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรุปก็จะปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราคือวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนิพพานนิ บ, บานังปรมังสุขขังบรมมาสุขของพระนิพพานก็จะปรากฏขึ้นมาอยู่ในใจของพวกเราดังนั้นสิ่งที่พวกเรา ควรจะให้ความสำคัญก็คือศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านพวกท่านกาลังทากันในขณะนี้วันนี้มาศึกษามาเรียนรู้ว่าอะไรคือศาสนาอะไรคือไม่ใช่ศาสนาและวิธีที่จะสร้างศาสนาหรือวิธีอนุรักษ์ศาสนานี้จะต้องทำอย่างไรกันพ อ, อ, อเรารู้แล้วเราก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติ วิธีสร้างศาสนาวิธีอนุรักษ์ศาสนาให้อยู่ในโลกนี้ไปนา น, านๆก็คือวิธีทำศาสนาให้ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราและศาสนาจะปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราได้ก็เกิดจากการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือหนึ่งการละา ก, การกระทำบาปทั้งปวง สการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงทร้อมสการชําระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์อันนี้เป็นวิธีที่พวกเราจะต้องมาปฏิบัติกันถ้าพวกเรายังไม่มีศาสนาอยู่ในใจยังไม่มีมวีวิมุตติธรรมยังไม่มีนิพพานอยู่ในใจของพวกเราพวกเราจําเป็นที่จะต้องมา ปฏิบัติทำกันปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามข้อนี้เราอย่าพึ่งไปทาข้ามขั้นตอนเหมือนกับบางท่านบางท่านพอได้ศึกษาแล้วก็คิดว่ารู้แล้ว<ม>ก็ข้ามขั้นตอนของการปฏิบัติของการบรรลุธรรมแล้วก็ไปตั้งตนเองเป็นอาจารย์ไปสอนผู้อื่นต่อไปซึ่งมีบางสํานักเขา ทำกันสอนให้นั่งสมาธิกันพอสอนแล้วทีนี้พอรู้วิธีนั่งสมาธิแล้วก็ไปสอนคนอื่นต่อทั้งๆ ท, ที่ตัวเองยังนั่งสมาธิไม่ได้นั่งได้แต่นั่งยังไม่ได้ผลนั่งแล้วจิตก็ยังเป็นลิงอยู่จิตก็ยังฟุ้งซ่านอยู่ไม่เคยเข้าสู่ความสงบของสมาธิไม่รู้ว่าความสงบของสมาธิเป็นอย่างไรแต่ได้รับใบประกาศจาก สถานสถาบันที่สอนแล้วว่าคุณเรียนจบแล้วสามารถที่จะไปสอนผู้อื่นต่อไปได้แล้วอันนี้ไม่ใช่ทิศทางของพระพุทธศาสนาซึ่งบางสำนักบางสถาบันอาจจะเข้าใจผิดที่ว่าการสอนให้รู้วิธีการปฏิบัตินี้ถือว่าสามารถทำให้ผู้ที่ได้เรียนนี้สามารถไปสอนให้ผู้อื่นได้แล้ว ถ้าผู้ที่เรียนยังไม่ได้ปฏิบัติยังไม่สามารถทำใจของตัวเองให้สงบแล้วจะไปสอนคนอื่นให้ทาใจให้เขาสงบได้อย่างไรถึงแม้จะรู้วิธีว่า อ, อ๋อวิธีนั่งสมาธิหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธไปใครๆก็พูดได้ใครๆก็สอนได้แต่ทาแล้วมันได้ผลหรือเปล่านั่งพุโทโธไปใจก็ยังเป็นริงอยู่นะยังคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้กังวลกับคนนั้นกังวลกับคนนี้ หงยายเรื่องนั้นหงยายเรื่องนี้อยู่นั่งไปเท่าไหร่มันก็ไม่สงบได้แต่เวลาออดูเวลาวันนี้นั่งสมาธิได้สองชั่วโมง mm hmm. บางทีก็นั่งหลับโดยไม่รู้สึกตัวนั่งแล้วก็คอพับหายไปเลยก็คิดว่าเข้าสมาธิไปแล้ว mm hmm. อันนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าไปสอนคนอื่นมันก็สอนสอนให้คนอื่นเขาทาเหมือนเรานี่ยสอนให้เขานั่งหลับ น, นั่นสอนให้เขานั่งแล้วฟุ้งซ่าน อย่างนี้ไม่ใช่เป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนีขั้นตอนที่ถูกต้องนี้เรียนแล้วต้องนําอาไปปฏิบัติจงเห็นจนเห็นผลก่อนจนบรรลุธรรมก่อนเมื่อเห็นผลเห็นบรรลุธรรมแล้วถึงค่อยเอาไปสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกทอดอย่างนั้นตอนนี้ยงังถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมยังไม่มีธรรมอยู่ในใจของเรานี้อย่าไปรีบร้อนสั่งสอนคนอื่น เอาเวลาที่เราจะไปสอนคนอื่นนี้มาปฏิบัติธรรมดีกว่าเพราะงานของเรายังไม่เสร็จศาสนาที่เราสร้างในใจของเรานี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ต้องพยายามสร้างต่อไปอย่าพึ่งไปกังวลกับเรื่องการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่ถ้าใครถามถ้าเราไม่รู้ก็บอกว่าไปถามผู้รู้ดีกว่าไปถามคนที่เขาสําเร็จแล้วคนที่เขาบรรลุแล้ว แต่เรายังไม่สำเร็จเรายังไม่บรรลุ น, นี้ขอสมวนตัวเราไว้ก่อนขอเอาเวลามาศึกษาธรรมก่อนถ้ามัวแต่ไปสอนคนอื่นก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมให้เกิดผลขึ้นมานั่นเองอันนี้ก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการสร้างศาสนาขึ้นมาในใจเพราะกิเลสตัณหามันฉลาดมันจะหลอกเรา เราให้เรารู้ว่าเรารู้แล้วได้เรียนแล้วรู้แล้วเราเข้าถึงธรรมแล้วบรรลุธรรมนะแล้วก็ไปสอนคนอื่นต่อไปตั้งตัวเป็นผู้สอนต่อไป mm hmm. ก็เลยไม่ได้ศึกษาไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้บรรลุธรรมสอนก็สอนแบบงูงูปลาปลาสอนแบบสอนถูกสอนแบบคนตาบอดคลำช้างเท mm hmm. ่านั้นเองจะ mm hmm. ไม่ได้สอนอย่างถูกต้องแม่นยำ นี่แหละคือวิธีทำลายาศาสนาโดยที่ไม่รู้สึกตัว <Yeah. S 1> เพราะเมื่อเรายังไม่รู้ทำแล้วเราไปสอนทำที่เราไม่รู้เราก็จะสอนแบบผิดผิดถูกถูกทำให้ผู้ที่เขาเรียนก็จะรู้แบบผิดผิ ด, ผดถูกถูกไป <Yeah. S 1> ก็จะทำให้ไม่มีาศาสนาในใจของเขาต่อไปก็จะไม่มีาศาสนาหลงเหลืออยู่ถ้าทำกันอย่างนี้ <Yeah. S 1> เพราะทาข้ามขั้นตอนต้องทาตามขั้นตอนขั้นที่หนึ่งต้องศึกษา แล้วค่อยไปปฏิบัติต้องปฏิบัติจนบรรลุก่อนถึงจะไ ป, ไปเผยแผ่ไปสั่งสอนผู้อื่นได้บางท่านบางท่านก็ทําขั้นตอนข้ามขั้นตอนขั้นที่หนึ่งไม่ศึกษาปฏิบัติเลยเพอเห็นเขานั่งสมาธิก็นั่งตามเขานั่งหลับตาเห็นเขานั่งก็นั่งแต่ไม่รู้เขานั่งอย่างไรเพราะทําอย่างไรที่ถูกต้องนั่งแล้วก็ไปเห็นหนูน่นเห็นนี่แล้วนั่งแล้วก็ตัวสั่นเหมือนผีเข้าก็คิดว่านี่บรรลุธรรมนะ อันนี้ก็ข้ามขั้นตอนอีกไม่ศึกษาวิธีปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะได้ผลที่ไม่ถูกต้องแล้วถ้านนำมาไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นก็เอาสิ่งที่ไม่ถูกต้องไปเผยแผ่ผู้อื่นเอาความหลงเอาโมหกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาไปเผยแผ่แทนที่จะเอาธรรมของพระพุทธเจ้าไปเผยแผ่ พราะเรายังเข้าไม่ถึงธรรมนั้นธรรมนั้นจะเข้าถึงได้ก็เกิดจากการปฏิบัติจนกว่าจะบรรลุธรรมเมื่อบรรลุธรรมแล้วบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิรดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์แล้วทีนี้แหละจะรู้อย่างแท้จริงแล้วสามารถสอนได้ตามลําดับธรรมที่เรารู้ถ้าเราเป็นโสดาบันเราก็จะสอนในระดับโสดาบันได้ ถ้าเป็นสกิดาคามีก็สอนในระดับสกิดาคามีถ้าเป็นอนาคามีก็สอนในระดับอนาคามีถ้าเป็นอาลหาันก็สอนในระดับอาลาหันได้ดังนั้นอย่าทาข้ามขั้นตอนทําตามขั้นตอนศึกษาพระพุทธเจ้าสอนว่าศึกษาว่าวิธีที่จะสร้างาศาสนาสร้างธรรมขึ้นมาในใจนี้สร้างอย่างไร ก็สอนขั้นที่หนึ่งให้เราละ ก, การกระทำบาปทั้งปวงบาปก็คือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการลักทรัพย์การประพฤติผิดประเวณีการพูดปดการดื่มสุรายาเมลและการเสพอบายามุกต่างๆเช่นเล่นการพนันเที่ยวเตรความเกลียดคร้านคบคนที่ชอบอบายามุกเป็นมิตรอนนี้คือสิ่งแรกที่พวกเราจะต้อง เลิกให้ได้ถ้าเรายังทำกันอยู่ถ้าเรายังทำบาปยังฆ่าสัตว์อยู่ต้องเลิกแม้แต่มดมแต่แมลงก็ฆ่าไม่ได้แต่ไล่เขาไปได้กันใหไม่ให้เขามารบกวนเราได้ทายากันยุงได้ถ้าเขาได้กลิ่นแล้วเขาก็ไม่มากัดอย่างนี้ได้หรือทายากันไม่ให้หมดขึ้นบ้านได้ทาสิ่งที่มันมีกลิ่นเหม็นๆไว้ตรงทางขึ้น พอมันได้กลิ่นมันก็ไม่ขึ้นได้แต่ไม่ต้องไปทำลายมันไม่ต้องไปฆ่ามันอันนี้ต้องเลิกให้ได้ถ้าเรายังทำบาปอยู่ยังฆ่าสัตว์ก็ต้องเลิกยังรักทรัพย์ช่โกงเอาเงินของผู้อื่นมาโดยมิชอบคอร์รัปชันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการรักทรัพย์เอาเงินที่ไม่ใช่ของเราเอาเงินของของรัฐบาลของเจ้านายที่เราทางานด้วย เป็นรายได้ที่เราไม่พึงจะได้จากการทํางานของเรารายได้ที่เราพึงได้ก็คือเงินเดือนและคอมมิชชั่นอะไรต่างๆที่ทางได้ตกลงไว้กับทางทางบริษัทแต่ถ้าได้ในทางอื่นมานี้ก็ถือว่าเป็นการคอนดักชั่น mm hmm. ก็ถือว่ายังเป็นการลักทรัพย์อยู่ mm hmm. แล้วก็อย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปยุ่มกับสามีภรรยาของคนอื่นเขา mm hmm. ยุ่งกับสามีภรรยาของเราแค่คนเดียวก็พอความสุขได้เท่ากันแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับภรรยาสามีของคนอื่นหรอกก็เป็นคนเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันมีผมขนและปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหมือนกันได้ความสุขเท่ากันงั้นอย่าไปหลงกับกิเลสตัณหาที่มันคอยหลอกเราว่าโอ้ยคนนั้นดีกว่าคนนี้คนนี้เบื่อแล้วเวลาได้เข้ามาใหม่ๆไม่เบื่อเลย แล้วได้เข้ามาใหม่ๆหมายอยากจะได้ถ้าเป็นแทบตายกินไม่ได้นอนไม่หลับพอได้มาแล้วก็เบื่อกิเลสมันหลอกเราให้เบื่อเองเพราะฉะนั้นพยายามหักขากข้ามจิตใจไว้อย่าไปทําบาปอย่าไปประพฤติผิดประเวณีแล้วก็อย่าไปโกหกหลอกลวงโกหกคนนั้นคนนี้ไม่ดีทําให้เขาเสียหายได้หลอกเอาทรัพย์ของเขาโกหกหลอกลวงเพื่อเอาทรัพย์ของเขา ก็ อ, อย่าทำบาปสองข้อเลยบาปจากการโกหกหลอกลวงแล้วก็บาปจากการลักทรัพย์ของเขาอย่าทำนะเพราะการทำบาปนี้มันจะทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราร้อนทำให้ใจเราไม่สงบทำให้ใจเราไม่มีความสุขทำให้ใจของเราพ้นทุกข์ไม่ได้การปฏิบัติธรรมนี้เพื่อให้เราพ้นทุกข์ เราต้องการวิมุตติธรรมแต่ถ้าเราทำบาปอยู่นี้วิมุตติธรรมนี้ไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นมาได้นัเราต้องพยายามเลิกการกระทำบาปให้ได้และเลิกเสพประบายามุขเช่นสุรายาเมาสุราก็เป็นเหตุที่จะทำให้เราไปทำบาปได้ง่ายเวลาเกิดอาการมึนเมาขึ้นมาแล้วจะไม่มีสติยับยั้งใจเวลาใจคิดจะทำอะไรก็จะไม่สามารถหยุดมันได้ คิดจะพูดหยาบคายก็ปล่อยพูดออกมาคิดจะทำร้ายทาลายสิ่งของหรือบุคคลต่างๆก็จะทำออกมาถ้าไปขับรถขับยานยนต์ก็มี ม, มีส่วนที่จะไปทำให้ผู้นตายได้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะเวลามีอาการมึนเมาแล้วจะไม่รู้ว่าตนเองขับรถเร็วหรือขับรถช้าแล้วเวลามีอะไร กระทำหันก็จะไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะทำให้เกิดมีอุบัติเหตุมีความเสียหายทั้งผู้อื่นและของกับตนเองดีไม่ดีตนเองก็อาจจะตายจากการขับรถมึนเมาก็ได้ดังนั้นอย่าไปเสพอบายามุขอมุขอมายมุขนี้จะพาให้เราไปทาสิ่งที่เสียหายต่อไปเช่นเดียวกับการเล่นการพนันเล่นการพนันก็มีแต่เสียเงินเสียทอง ได้มาก็จะเล่นต่อเสียก็อยากจะได้เอาคืนมันก็ไม่หยุดเมื่อไม่หยุดเล่นไม่ช้าก็เร็วก็หมดเนื้อหมดตัวหมดเนื้อหมดตัวไม่มีเงินไม่มีงานทาก็ต้องไปลักไปขโมยไปช่อกงการเที่ยวเตะก็เหมือนกันมีแต่เสียเงินเสียทองไม่มีรายได้การความเกลียดค้านก็เหมือนกันความเกลียดค้านก็จะทำให้ไม่มีไม่ไปทำงานทำมาหากินก็จะไม่มีรายได้ เวลาต้องการรายได้ก็จะหาจากการกระทำบาป <_ S 1> จากการช่อกง <_ S 1> จากการลักทรัพย์ <_ S 1> จากการที่จากการปล้น <_ S 1> แล้วก็าจจะมีการท่ากันได้เวลามีการต่อสู้กันแล้วก็ข้อสุดท้ายก็อย่าไปคบกับคนที่ชอบอบายามุข ค, คนที่ชอบกินเหล้าเขาก็จะชวนเราไปกินเหล้าคนที่ชอบเล่นการพนันเขาก็จะชวนเราไปเล่นการพนันคนที่ชอบ เที่ยวเขาก็จะชวนเราเที่ยวคนที่ชอบความเกลียดค้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดค้านเมื่อเราทําตามเขาเดี๋ยวเราก็หมดเนื้อหมดตัวเหมือนกับเขาแล้วเราก็จะต้องไปทําบาปต่อไปเพราะฉะนั้นบาปเหล่านี้เราต้องเลิกให้ได้เพราะมันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราซึ่งมันตรงกันข้ามกับเป้าหมายของเราเป้าหมายของพวกเราคือต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ วิมุตติงัเราก็ต้องระ ง, งับเหตุที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาให้กับใจของเราเก็คือการกระทําบาปต่างๆนี่เองพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์จึงต้องสอนเหมือนกันหมดสอนให้ละการกระทําบาปแล้วถ้าเราอยากจะมีความสุขก็ให้เราทําบุญกันอย่าไปหาความสุขในทางอื่นอย่าไปหาความสุขจากการไปซื้อ รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพการเสพรูปเสียงกลิ่นรสนี้เหมือนกับการเสพยาเสพติดเสพแล้วมันจะติดแล้วเวลาที่ไม่ได้เสพมันจะทุกข์แต่ถ้าเราเอาเงินนี้ไปทําบุญทําทานนี้มันจะมีแต่ความสุขอย่างเดียวเวลาเราไม่ได้ทําบุญทําทานใจเราจะไม่ทุกข์เพราะว่าการทําบุญนี้ไม่ได้เป็นยาเสพติดแต่เป็นอาหาร ทำให้ใจเรามีความอิ่มมีความสุขเนี่ยแล้วก็เวลาไม่มีเงินจะทำบุญหรือไม่มีโอกาสได้ทำบุญใจของเราจะไม่ทุกข์จะไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับการเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปดูไปฟังเวลาที่เราไม่มีเงินไปกินไปเที่ยวไปดื่มไปดูไปฟังเราจะทุกข์กันนั้นให้เปลี่ยนวิธีถ้าเรายังหาต้องการหาความสุขจากเงินทองอยู่ ก็หาความสุขจากเงินทองด้วยการเอาไปทําบุญทําทานทําได้ทุกแห่งทุกคนไม่จําเป็นจะต้องทํากับวัดวาอารามอย่างเดียวจุดแรกที่เราควรจะทําก็คือกับพ่อแม่ของเราเนี่ยแหละดูแลพ่อแม่ของเราให้ดีก่อนอย่าปล่อยให้พ่อแม่ของเราทุกข์ยากลําบากถ้าเราอยู่สุขสบายกว่าพ่อแม่นี้แสดงว่าเราไม่ได้เลี้ยวแลพ่อแม่ะไม่ได้ดูแลพ่อแม่เราเท่าที่ควรเราต้องมาดูแลพ่อแม่ของเราก่อน พ่อแม่ของเรานี้เป็นพระอรหันต์ของพวกเรานีพระพุทธเจ้าบอกว่าพ่อแม่นี้เป็นเหมือนพระอรหันต์ทำบุญกับพ่อแม่นี้เท่ากับได้ทําบุญกับพระอรหันต์ได้บุญมากให้ทําบุญกับพระอรหันต์ในบ้านก่อนก่อนที่จะออกไปทําบุญกับพระอรหันต์นอกบ้านทําไมเราต้องไปทําบุญกับพระอรหันต์นอกบ้านเพราะพระอรหันต์นอกบ้านมีธรรมะมาสอนเรานั่นเองแต่ พาาระอรหันต์ในบ้านเรานี้ไม่มีธรรมะระดับของพระอรหันต์มาสอนเราได้เราก็เลยต้องไปทําบุญกับพระอรหันต์นอกบ้านเราจึงต้องไปทําบุญกับวัดต่างๆสถานวัดว า, ารามต่างๆที่มีพระอรหันต์เพื่อเราจะได้ยินได้ฟังธรรมะของท่านนั่นเองเพื่อที่เราจะได้น้อมเอาธรรมะของท่านมาปฏิบัติมาสร้างพาาระอรหันต์ให้เกิดขึ้นในใจของพวกเรา แต่เบื้องต้นนี้ทากับผ้าหลันในบ้านของเราก่อนแล้วก็ดูแลบุตรธิดาดูแลญาติสนิทมิตรสหายถ้าเขาทุกข์ยากเดือดร้อนเราพอที่จะช่วยเหลือเขาได้เราก็ต้องช่วยกันอันนี้เป็นวิธีทำบุญเราเสียเงินเสียทองไปแต่เราจะได้ความสุขกลับมาเราจะได้ความสุขจากการทำบุญทำทานถ้าไม่มีใครเดือดร้อนเสียหาย ก็ออกไปช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาทุกข์ยากลำบากได้ทำกับคนยากคนจนทำกับคนที่เดือดร้อนเช่นมีเวลามีน้ำท่วมเวลามีไฟไหม้มีภัยต่างๆพวกเราก็จะช่วยเหลือกันเบอร์จากทรัพย์กันไปเพื่อที่จะได้บรรเทาทุกข์ยากลำบากให้แก่ผู้อื่นอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างความสุขให้กับใจของเราในระดับการใช้เงินทองอยู่ ถ้าเรายังไม่ได้ขึ้นสู่ระดับที่สูงกว่านี้เราก็อาศัยการใช้เงินทองนี้มาสร้างความสุขให้กับเราได้แต่อย่าไปใช้เงินทองกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่าไปใช้กับของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่จำเป็นของที่หรูหราของที่มีราคาแพงๆเพราะของเหล่านี้เป็นเหมือนยาเสพติดพอไปซื้อแล้วมันติดแล้วมันอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆอจะซื้อ มากกว่าเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีเงินมากขึ้นก็จะไปซื้อของที่แพงขึ้นของที่หรูหรามากกว่าเก่าแต่ความสุขที่ได้มันเป็นความสุขเดียวเดียวแล้วไม่ยั่งยืนเหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำบุญแล้วเวลาที่ไม่มีเงินที่จะไปซื้อของเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความหงุดหีิดใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ไม่เหมือนกับบุญที่เราทานี้ทาเท่าไหร่นี้จะไม่ทามาจะไม่สร้างความหงุดหิดใจให้กับเรา จะมีแต่ให้ความอิ่มเอิบใจให้กับความสุขของเราความสุขใจให้กับเราถึงแม้ทําไปนานแล้วก็ตามทุกครั้งที่เรานึกถึงมันหรือมองเห็นมันมันก็ยังทําให้เรามีความสุขได้เวลาเราเห็นคนที่เราได้ให้ความช่วยเหลือเขาเห็นเขาปล อ, อดภัยเห็นเขาสุขเห็นเขาสบายเราก็ดีใจขึ้นมามีความสุขใจขึ้นมาว่าส่วนหนึ่งก็เป็นผลจากการที่เราได้ช่วยเหลือเขาในอดีต นี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายถึงพร้อมสร้างด้วยวิธีนี้จะจะไปหาความสุขจากการใช้เงินไปกับลูกเสียงกิ่นรสต่างๆเมื่อเราทําได้แล้วขั้นต่อไปก็ให้เรามาชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ขั้นนี้ก็ต้องเป็นขั้นที่เราเรียกว่าปฏิบัติธรรมคือไปภาวนากันแล้วเราก็ต้องเพิ่มการรักษาศีล จากศีลห้าไปเป็นศีล8อย่างน้อยต้องเป็นศีล8ไม่ศีล8ก็ศีล10ศีล227แล้วแต่ฐานะถ้าเราไปบวชถ้าเป็นผู้ชายก็ศีลองีล227ถ้าเป็นแม่ชีก็ถือศีล10หรือถือศีล8เพื่อที่เราจะได้มีเวลามาชำระใจชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์มากําจัดกิเลสตัณหาโมหะอวิชาต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจ เราต้องมีเวลาการที่จะมีเวลาก็คือการรักษาศีลนี่เองเพราะถ้าเรารักษาศีลแปดแล้วเราจะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นไม่ได้เราจะไปเที่ยวจะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ได้ไปร่วมหลับนอนกับแฟนไม่ได้ไปกินอาหารเย็นไปเลี้ยงไปกินงานไปงานเลี้ยงไปกินอาหารเย็นอย่างนี้ก็ไปไม่ได้ไปดูมาหโหสถ บ, บันเทิงต่างๆก็ไปไม่ได้ ไปแต่งเนื้อแต่งตัวเสริมสวยความงามต่างๆก็ทำไม่ได้นอนบนเตียงสำลานก็นอนไม่ได้เตียงสำลานเตียงที่สุขที่สบายมากจนเกินไปเพราะมันจะทำให้เรานอนมากเกินไปนั่นเองให้นอนเตียงที่ไม่สุขเตียงแข็งๆพื้นแข็งๆพอเวลาเราได้พักผ่อนหลับนอนพอนแล้วเวลาตื่นขึ้นมาเราจะไม่อยากจะนอนต่อเราจะได้รีบลุกขึ้นมาเพื่อเราจะได้มาชาระใจ ให้สะอาดบริสุทธิ์ได้การปฏิบัติธรรมธรรมที่เราปฏิบัติก็มีอยู่สองขั้นคือสมะถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาขั้นที่หนึ่งเราต้องทำขั้นที่หนึ่งก่อนก่อนที่เราจะไปขั้นที่สองได้ขั้นที่หนึ่งคือสมะถะภาวนาคือมาทำใจของเราให้สงบวิธีทำใจของเราให้สงบก็ต้องเจริญสติก่อนต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดไปถึงเรื่องราวต่างๆ เราต้องมีสติสิ่งที่จะทําให้เรามีสติก็คือกรรมฐานกรรมฐานคืออารมณ์ที่จะทําให้เรามีสติปรากฏขึ้นมาเช่นพุทธานุสติกรรมฐานนี้ก็คือการให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าจช่นระลึกพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเร า, เราเลึกแต่พุทโธพุทโธพุทโธ เราก็จะไปคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้ไม่ได้คิดถึงอาหารคิดถึงขนมคิดถึงสถานที่เที่ยวที่เล่นไม่ได้เราก็จะทำให้ใจของเราว่างใจของเราเย็นแล้วพอเรามีเวลาว่างเราก็ต้องนั่งเฉยๆถ้าเรานั่งเฉยๆได้ใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบของสมาธิได้แล้วเราก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากการดูการฟังการกินการดื่มการสัมผัสกับอะไรต่างๆนี้พอได้เจอความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี้เป็นเหมือนฟ้ากับดินพอเราได้ความสุขอย่างนี้แล้วเราก็จะพร้อมที่จะเลิกที่จะไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปการที่เราจะเลิกได้เราก็ต้องไปปฏิบัติขั้นที่สองคือขั้นปัญญา ปัญญาก็จะสอนให้เราเห็นว่าความสุขที่เราหาจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เป็นความสุขที่ไม่เที่ยงเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่เกิดแล้วเดี๋ยวมีหมดได้เวลาหมดมันก็จะทําให้เราทุกข์ได้เวลาเราสูญเสียคนที่เรารักไปคนที่ให้ความสุขกับเราไปเราก็ทุกข์กันแต่เราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องอยู่คนเดียว อย่าไปหาความสุขจากคนนั้นคนนี้ให้กลับมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบจากการเข้าสมาธิดีกว่าคือสอนใจและให้เราเห็นว่าความสุขต่างๆในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปหาแล้วเราจะต้องทุกข์จะต้องหนังน้ำตาไม่ช้าก็เร็ววันใดวันหนึ่งถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ อย่าไปหาลาบยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์หาความสุขจากความสงบจากการไม่มีอะไรดีที่สุดอยู่คนเดียวได้ดีที่สุดหาความสุขจากการหยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากนี่เป็นตัวที่ทำให้ใจเราไม่สุขทำให้ใจเราอยากหาความสุขกันแต่พอเรารู้ว่าไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เรา ไปหาความทุกข์กันไม่ได้ไปหาความสุขกันเราก็หยุดมันทุกครั้งที่มันอยากให้เราไปเที่ยวเราก็ไม่ไปเที่ยวทุกครั้งมันอยากจะให้เรามีแฟนเราก็ไม่มีแฟนทุกครั้งมันอยากให้เรากินนู่นกินนี่ที่ไม่ใช่เวลากินเราก็ไม่กินทุกครั้งที่มันอยากให้เราดื่มเราก็ไม่ดื่มถ้าถ้าดื่มก็ดื่มแต่ของที่จำเป็นต่อร่างกายก็ดื่มน้าเปล่าๆถ้าร่างกายหิวน้าก็ดื่มน้าได้ อย่ไม่ต้องดื่มน้ำกาแฟน้ำชาน้ำอะไรต่างๆเพราะมันเป็นการไปติดรูปเสียงกลิ่นรสเนต่อไปเราก็จะตัดความอยากคือกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้หมดสิ้นไปจากใจเราได้พอไม่มีกิเลสตัณหาแล้วใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมานั่นเองเป็นวิมุตติวิบุติธรรมก็ปรากฏขึ้นมาคือการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายก็จะหมดสิ้นไป เพราะจะไม่มีการไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใจที่ไม่มีกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาจะไม่มีผู้ที่จะหลอกหรือดึงให้ใจไปเกิดอีกต่อไปนั่นเองเพราะใจเห็นด้วยปัญญาว่าการเกิดนี้เป็นทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องไม่เกิดเท่านั้นใจก็จะไม่มีการไปเจอกับความทุกข์อีกต่อไปใจก็จะอยู่กับพระนิพพานอยู่กับความสงบที่ถาวร นิพพานังปรามังสุขขัง น, นี่คือพอใจเป็นนิพพานแล้วทีนี้ก็สามารถนำเอาใจที่เป็นนิพพานนี้ไปสอนผู้อื่นได้สอนให้สอนให้ผู้อื่นทาใจของตนให้เป็นพระนิพพานขึ้นมาได้ <c oughs> ก็จะมีศาสนากระจายไปทั่วทุกแห่งทุกคน <c oughs> ไม่ไม่ต้องมีวัดวาอารามเ <c oughs> พราะว่าวัดว า, ารามสอนใจให้เป็นนิพพานไม่ได้ ผู้ที่จะสอนใจให้เป็นนิพพานได้คือผู้ที่มีใจเป็นนิพพานเท่านั้นดังนั้นเราขอให้เราเล็งไปที่ตรงนี้ลงไปที่ใจที่เป็นพระนิพพานนี่แหละคือตัวศาสนาที่แท้จริงสร้างศาสนาขึ้นมาในใจของพวกเราแล้วจะไม่มีใครจะมาสามารถทำลายศาสนาที่อยู่ในใจของเราได้เราก็จะสามารถที่จะอนุรักษ์ศาสนาให้อยู่ยั่งยืนต่อไปได้เป็นเวลาอันยาวนาน นี่คือวิธีการรักษาพระพุทธศาสนาที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตุทินังเตตานังอุปกาปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาโต สัพเพปเรนตุสังกปายันโทปณาระโสยธามาิโชติระโสยธาสัพพิติยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตโอันตราวโยสุขีทีขายุโกภะ อาพิวาธานสีลิสะนิจังวุทธาปจายิโนจัตารุธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังทาราังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่ของดตอบคำถามหลังจากที่เราเลิกประชุมกันแล้วเพราะไม่สะดวกั้นถ้าอยากจะถามถามในช่วงนี้ได้เลยวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่จาก a c e b o o k พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตสอง Facebook สิจพจอสุชาติอภิชาโต46ยอบ รวม Facebook 343 YouTube 212วิทยุออนไลน์13 Zoom 8ผู้รับฟังหน้ากุฏิ111รวม687ท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญอ่านได้เลยหรืใครอยากจะถามก็ยกมือขึ้นจะส่งไมโครโฟนไปให้คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุฏินะคะ ขณะนั่งสมาธิรับรู้ลมหายใจเข้าออกไปสักระยะแล้วไม่ได้ยินเสียงอะไรและไม่รับรู้ลมหายใจนี้เข้าออกตอนแรกนึกว่าตนเองหลับแต่ตนรับรู้ได้ว่าไม่ได้หลับเพราะยังรู้สึกตนอยู่ครับแต่แล้วก็กลับมาได้ยินเสียงรอบข้างอีกจากนั้นพยายามตั้งใจกลั บ, ลบไปตรงจุดนั้นอีกแต่กลับรู้สึกและได้ยินเสียงตลอดเวลา ไม่รู้ว่าตรงที่ไม่ได้ยินเสียงนั้นคือสมาธิหรือไม่ครับไม่ใช่หรอต้องดูลมตอนนั้นมันเผลอสติมันเลยควรจะดูลมไปเรื่อยๆน้อยจนกว่าจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาจิตสงบนิ่งว่างเย็ยนสบายเป็นความ ร, รู้สึกที่แปลกประหลาบมหัศจรรย์ใจถ้ายังไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็แสดงว่ายังไม่สงบ เสือสติสติหายไปอาจจะเคลิ้มหลับไปชั่วข่าวก็ได้งั้นต้องดูลมถ้าดูลมต้องดูลมตลอดเวลาอย่าหายหายก็แสดงว่าสติหาย<ม>พอสติหายเดี๋ยวอะไรก็รโผะขึ้นมาได้งั้นอย่าไปสนใจถ้ามันโผล่ขึ้นมาให้กลับมาดูที่ลมต่อไปเจอกผู้ไม่ประสงค์ออกนาม แม่ของดิฉันไปวัดทุกวันขอโทษค่ะไปวัดทุกวันพระพอไปก็พูดเรื่องคนโน้นนินทาคนนี้คุยอวดร่ําอวดรวยกลับมาบ้านก็บอกว่าพระไม่ฉันกับข้าวของตัวเองอย่างนี้ไปทําบุญจะได้บุญไหมคะรบกวนหลวงพ่อพูดเตือนคุณแม่ให้หน่อยคะ่ะ อ, อ๋อได้แต่ไม่ได้ไม่ได้เต็มร้อยการทําบุญนี่เราไปเพื่อเสียสละแบ่งปัน ของที่เราให้ไปแล้วนี่เราอย่าไปยึดไปติดว่าเป็นของเรา mm. เขาจะเอาไปทําอะไรก็ไม่ใช่เรื่องของเรา mm. เป็นของคนที่เขารับไปแล้วเขาจะไปให้คนอื่นต่อก็เป็นเรื่องของเขาถ้าเราไปคอยจะเฝ้าดูว่าของเราท่านหยิบไปแล้วท่านเอาไปทําอะไรกินหรือเปล่าหรือว่าไปให้คนที่เราไม่ชอบ mm. พอไปให้คนที่ไม่ชอบก็เลยเกิดความเสียใจและเกิดความโกรธขึ้นมา mm. อย่างนี้ก็ทําให้บุญที่เรา ได้นี้ถูกบาปหือได้กิเลสมากบเอาไว้บุญที่เราทํามันก็ได้เพียงแต่ว่ามันไม่ทําด้วยความบริสุทธิ์ใจมันยังมีกิเลสตัณหายังมีความอยากให้เขากินของเราใช้ของเราอยู่พอเขาไม่ได้ใช้เราก็เลยเสียใจทุกข์ขึ้นมาดังน mm ั hmm. ้นอย่าทําอย่างนี้ทําแล้วก็ยกให้เขาไปแล้วเขาจะทําอะไรเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราแล้ว mm hmm. ต้องปล่อยวางอย่าไปยึดไปติดว่าเป็นของเราเราจะได้บุญมากแล้วไปวัดก็อย่าไปนินทาการเลกันไปวัดเพื่อไปฟังเทศฟังธรรมไปทําใจให้สงบไม่ใช่เวลาพระเทศกันนั่งคุยกันแล้นินทากันอย่างนี้ไม่ได้บุญนะถ้อย่างได้บุญคระดับศีลก็คือต้องสำรวมวาจาอย่าพูดจาเลเทะ อย่าพูดนินทากันอย่าพูดเขาเรียกว่าพูดเพ<ม>้อเจ้อนี่นพยายามระ ง, งับวาจาไปอยู่วัดไปเข้าวัดนี่พยายามพูดให้น้อยที่สุดพูดเท่าที่จาเป็นสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจจะได้บุญได้กุศลจากการไปวัดอย่างเต็มที่คำถามต่อไปหนูควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ทำอย่างไรคะขอพระอาจารย์แนะนำด้วยค่ะใช้สติใช้พุโทโธ เวลามีอารมณ์ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปก็ได้เดี๋ยวสักห้านาทีอารมณ์ก็หายไปเวลาเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาเสียใจขึ้นมาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราเสียใจเดี๋ยวความเสียใจก็หายไปดึงใจกลับมาอยู่ที่พุทโธพุทโธพุทโธแต่การที่เราจะทำพุทโธได้นี่เราต้องซ้อมไว้ก่อน ถ้าเราไม่ซ้อมไม่ก่อนเหมือนนักมวยที่ไม่ซ้อมพอขึ้นโชค ก, ก็โชคไม่ออกถูกคู่ต่อสู้โชคอย่างเดียวนักบวยในก่อนนี้ก็จะขึ้นเวทีเขต้องซ้อมโชค ก, กับกระสอบทรายก่อนโชคอยู่เรื่อยๆจะได้ทําให้เวลาจะโชคมันจะได้โชกออกได้เราก็พุทธโทเหมือนกันถ้าเราไม่พุโทโธไว้ก่อนเวลาจะพุทโทมันพุทธโทไม่ออกมันจะไปคิดแต่เรื่องที่ทําให้เราเสียใจคิดแต่เรื่องที่ทําให้เราโกรธ ยิ่งคิดก็ยิ่งเสียใจยิ่งโกรธใหญ่ดัง mm. นั้นก่อนที่เราจะใช้พุโทโธได้ น, นี้เราต้องซ้อมก่อน mm. ตอนที่เรายังไม่โกรธเนียตอนที่เราอยู่ว่างๆตื่นขึ้นมาตอนเช้านี้ยังไม่ได้ต้องใช้ความคิดอะไรก็ท่องพุโทโธพุธโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่จําเป็นจะต้องคิดอาบน้ําล้างหน้าแปลงควันก็พุโทโธไปรับประทานอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไป แล้วต่อไปเวลามีอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ใช้พุโทโธหยุดมันได้คุณธนาวาัฒน์ความสงบที่แท้จริงของสมาธิเป็นอย่างไรครับมันเป็นอย่างที่เป็นถ้าแล้ไม่ไม่เห็นมันก็ไม่เห็นนั่นสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเห็นไปนั่งพุโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวก็เห็นเองมานั่งเล่ายัางไงมันก็ไม่เหมือนของจริง โบราณท่านว่าสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเห็นเปิดตาสิเปิดตาด้วยพุโทโธเนี่ยนั่งหลับตาแล้วก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าหยุดพุดโทโธนับปาาระกันได้เดี๋ยวเจอเองเดี๋ยวเห็นเองคุณไอซ์เบอรี่เราจะทราบได้อย่างไรว่าเราผ่านอุปจารสมาธิเข้าสู่อัปนาสมาธิแล้วและเราจะทราบได้อย่างไรว่าเราเข้าฌานสี่ได้แล้วคะ อ๋อไม่มีวันทราบได้คุณคําถามของคุณคุณก็เข้าใจผิดแล้วคุณไม่เข้าใจว่าอุปจาระมาก่อนอัปปนาสมาธิความจริงอัปปนาสมาธิมามาก่อนอุปจาระสมาธิอย่งนั้นคุณจะรู้เองว่าเป็นอะไรถ้าคุณปฏิบัติแต่ถ้าคุณเพียงแต่นั่งคิดนี้กไม่มีวันทราบได้สันติโกทำเป็นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติจะพิสูจน์ได้ด้วยตนเอง พูดไม่สามารถบอกความบอกยธรรมเหล่านี้ได้ว่าเป็นอย่างไรต้องปฏิบัติต้องเจริญสติพุทโธพุทโธไปนั่งสมาธิพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวจิตก็รวมเป็นสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาเมื่อต้นก็เป็นคณิกะสมาธิก่อนสงบได้แวบเดียวเพราะกําลังสติยังมีน้อยอยู่แต่ถ้าเราฝึกสติต่อไปพอมีสติมากขึ้นต่อไปเวลานั่งจิตก็จะรวมจะสงบนานขึ้น อันนี้เรียกอัปปนาสมาธิถ้าอุปจารสมาธินี้อันนี้เป็นสมาธิพิเศษไม่ใช่เกิดขึ้นกับทุกคนอุปจารสมาธิคือจิตออกจากอัปปนาสมาธิแล้วก็ไปมีอภินยามีตาทิพหูทิพสามารถเห็นพูดผีปีศาจเห็นเทวดาติดต่อกับเทวดาคุยกับเทวดาได้อย่างพระพุทธเจ้าตอนที่ไปโปรดพุทธมารดาในสวรรค์ก็ใช้อุปจารสมาธิ แต่อุปจารสมาธินี้ไม่ได้เกิดกับนักปฏิบัติทุกคนดังนั้นนักปฏิบัติไม่ต้องไปกังวลส่วนใหญ่จะไม่มีอุปจารสมาธิแลวก็ไม่จําเป็นด้วยเราต้องการอปปนาสมาธิเพราะเป็นสมาธิที่ให้อุเบขาที่เราจะสามารถไปใช้ต่อสู้กับกิเลสตังหาได้คุณจุกโรไล ในกรณีนั่งสมาธิได้นานควรนั่งสมาธิแทนการนอนไหมครับและการถอนออกจากสมาธิควรใช้การพิจารณาอย่างไรในการถอนจากการนั่งสมาธิเนื่องจากปัจจุบันใช้นาฬิกาปลุกแล้วจะรู้สึกตกใจครับแ บ, บ่งคําถามเป็นคำเป็นข้อๆนะมันหลายข้อเล้วอันเอาทีาทละข้อขอโทษค่ะ ในกรณีนั่งสมาธิได้นานควรนั่งสมาธิแทนการนอนไหมครับถ้าอยากจะนั่งอยากจะนั่งสมาธินั่งก็ต้องนั่งเลยถ้าไปนอนมันก็ไม่ได้เลยก็นอนให้น้อยนั่งให้มากในการถอนออกจากสมาธิควรใช้การพิจารณาอย่างไรในการถอนครับก็ให้มีสติรู้ว่าจิตกำลังถอนออกจากความสงบแล้วก็ควบคุมจิตต่อไปอย่าให้คิดปรุงแต่ง ใช้พุทโธพุทโธคุมมันไว้ก็ได้การนั่งสมาธิจะถอนออกอย่างไรดีครับเพราะปัจจุบันใช่นาฬิกาปลุกแล้วรู้สึกตกใจครับอไม่ควรจะใช้นาฬิกาปลุกให้มันถอนออกมาปล่อยให้มันถอนของมันออกมาเองพอมันอิ่มตัวแล้วมันก็จะถอนออกมาเหมือนคนนอนหลับพอนอนหลับอิ่มพอแล้วมันก็จะตื่นขึ้นมาถ้าไปใช้นาฬิกาปลุกบางทีนอนยังไม่พอพอตื่นขึ้นมามันก็จะมีอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมา อย่าใช้นาฬิกามาบังคับสมาธิปล่อยให้สมาธิเป็นไปตามธรรมชาติของเขาพอเขาอยากจะออกมาเขาจะออกมาของเขาเองถ้าก็ยังไม่ออกเราก็อยู่กับเขาไปก่อนอยู่ความสงบซึ่งว่ามีใครอยากจะออกจากสมาธิหรอกพอได้สมาธินั้นมันสุขสุขยิง่งกว่าได้เงินถู ก, กรัตตลี่รางวัลที่หนึ่งใครอยากจะออกมาบ้างเห็ก็มีสเตตดูมันไปเดี๋ยวมันหมดกำลังมันก็จะถอนออกมาเอง คุณวินเทรดเดอร์หากเราเป็นผู้ทำงานให้ศาสนาให้วัดให้ครูบาอาจารย์ในการจัดกิจกรรมงานกุศลต่างๆแต่เรารู้สึกว่าเวลาทำงานแล้วเราไม่สบายใจเพราะคนที่เราทำงานด้วยมีแนวความคิดในการทำงานที่แตกต่างกันเราควรปฏิบัติอย่างไรครับควรจะเดินหน้าต่อหรือถอยออกมารักษาใจของเราครับก็แล้วแต่เรา คือความจริงเราก็ต้องรักษาใจเราก่อนก่อนที่เราจะไปรักษาสิ่งอื่นได้ถ้าใจเราไม่ดีเราก็ไปรักษาอะไรไม่ได้เห็นถ้าเราจำเป็นจะต้องรักษาก็รักษาใจเราก่อนทำใจของเราให้ดีก่อนแล้วเราค่อยไปรับใช้ศาสนาต่อไปจะดีกว่าผู้ไม่ประสองค์ออกนามเมื่อคืนนั่งสมาธิแล้วเกิดอาการปวดขาจึงนึกกาหนดขาตัวเองเป็นขาศพเป็นกระดู จากนั้นจู่ๆก็เกิดภาพโครงกระดูกซ้อนทับกับร่างกายเราอยากสอบถามพระอาจารย์ว่าเราควรพิจารณาอย่างไรต่อไปเจ้าคะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นนิมิตที่หลอกเราหรือไม่เจ้าค ะ, ะมันก็เป็นภาพอย่างหนึ่งถ้ามันภาพที่ตรงกับความเป็นจริงมันก็ไม่หลอกเราเรามีกระดูกก็เปล่าถ้าภาพกระดูกโผล่ขึ้นมาก็แสดงว่าเราสามารถมองทะลุใ ต, ใต้ผิวหนังไปได้ ก็แสดงว่าเป็นเป็นความจริงเป็นความจริงที่เราควรจะมาเจริญต่อหลังจากออกสมาธิแล้วเราพยายามนึกถึงกระดูกโครงกระดูกที่มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนแต่พวกเราไม่เห็นกันจึงทําให้เราไปหลงคิดว่าเขาเป็นนั่นเป็นนี่แต่ถ้าเห็นโครงกระดูกว่าต่อไปกขาบอกมันก็เป็นแค่โครงกระดูกที่ให้เป็นนั่นเป็นนี่ก็เพียงแต่สมมุติแต่งตั้งกันขึ้นมา เป็นนายกเป็นรัฐมนตรีเป็นประธานาธิบดีเป็นดาราเป็นนางงามมันก็แค่กระดูกนี่ถ้าเราเห็นกระดูกล้วต่อไปมันจะเห็นว่ามันไม่มีอะไรในโลกนี้ไอ้ที่มีนี่เราไปหลงไปตั้งไปคิดกันขึ้นมาเองนรเป็นดาราเป็นภาพเป็นประธานาธิบดีเป็นอะไรแล้วแต่ความจริงมันก็แค่เป็นแค่กระดูกนี่ที่ในที่สุดก็ต้องไปนอนในโรง ถ้าเห็นนี้เราจะได้โปร่งได้ความหนุงความอยากต่างๆของเราจะได้หมดได้ต่อไปก็ไม่อยากเป็นดาราไม่อยากเป็นประธานาธิบดีไม่อยากเป็นอะไรเพราะมันก็เป็นของปลอมเท่านั้นของจริงก็คือเป็นโครงกระดูกนี่เองจะเป็นอะไรคุณนาวินมีวิธีสังเกตพระอรหันต์ไหมครับเขาต้องเป็นก่อนนะสิถ้าไม่เป็นก่อนเราจะไปสังเกตเขาได้ยังไง ถ้าเราไม่เป็นผ้าหานเราจะไปรู้ว่าเขาเป็นผ้หาหนานได้ยังไง <Ask> ก็ต้อง <Sehr> ต้องเป็นก่อนเหมือนคนที่จะไปพิสูจน์ทองคำ <telling. S 1> เขาต้องรู้จักวิธีพิสูจน์ก่อนวนะ่าทองคำนี้พิสูจน์ยังไงพอรู้จักแยกแยะทองแท้ออกจากทองปลอมแล้วทีนี้ต่อไปก็ไปไปพิสูจน์ทองของคนอื่นได้ว่ามีทองแท้และทองปลอมคุณส้มใจมีแต่คิดอยากจะทาบุญแล้วเราก็ทาบุญ แต่ใจก็ยังมีความอยากมากขึ้นค่ะอยากอนะไรล่ะความอยากนี้มันมีหลายอย่างด้วยกันถ้าอยากจะทําบุญก็อย่าไปทําด้วยความอยา ก, ยากทำทำด้วยเหตุด้วยผลด้วยด้วยความความเป็นจริงเช่นเรามีเงินเหลือใช้เราจะเอาเงินไปเที่ยงนี้ก็เอาไปทําบุญ แต่ถ้าเราไม่มีเงินเหรือใช้เราอยากไปทําบุญก็อย่าไปอยากอยากแล้วไม่ได้ทําบุญก็จะทําให้เราทุกข์ได้นั้นทําบุญตามตามความเหมาะสมตามฐานะตามกําลังเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี่แหละไปทําบุญถ้าไม่มีเงินเที่ยวก็ไม่ต้องทําบุญอยู่บ้านเฉยๆก็ไม่เดือดร้อนคุณตู่ถ้าเราบวชกับ พระอุปชาที่ศีลไม่บริสุทธิ์เราจะเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่สมบรูรณ์ไหมครับมันสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อยู่ที่เราไม่ได้อยู่ที่เขาถ้าเราไม่ปฏิบัติศีลบริสุทธิ์เราก็ไม่สมบูรณ์ถึงแม้คนที่บวชให้เราก็มีศีลบริสุทธิ์แต่ร<ม>เราไม่บริสุทธิ์เราก็ไม่สมบูรณ์อยู่ดีและไม่ได้อยู่ที่คนบวชให้เราอยู่ที่ตัวเราว่าเราทําตัวเราให้สมบูรณ์หรือไม่ให้เรามีศีลสมบูรณ์หรือไม่ สินของพระสองรยบเจ็บกพ่องหรือไม่ถ้าบกพ่องก็แสดงว่าเราไม่สมบูรณ์คนที่เขาบวชให้เราไม่เกี่ยวกับเราจะคุณพิตุ้มพระโพธิสัตว์และองค์เทพเจ้าต่างๆจริงๆแล้วสามารถเข้าประทับร่างของมนุษย์ได้ไหมครับไม่ได้หรอกเข้าร่างใครร่างมัด จิตนี้จะเข้าไปอีกจิตหนึ่งไม่ได้จิตมันเป็นจิตเดียวไม่มีใครเข้ามาได้ที่มันเข้ามันจิตมันแสดงหลอกตัวเองว่ามันเข้ามันผิมันมไม่ไม่มีใครมาเข้าหรอกตัวมันเองไปหลอกตัวเองไปคิดว่ามันกำลังมีอะไรเข้ามาเท่นั้นเองคุณน้าครึ่งแก้วถ้าทำสมาธิท่องคาบริกรรมอยู่ ท่องกรรมรกรรมอยู่แท้แต่จิตมันฟุ้งซ่านได้ขนาดกำลังที่ท่องกรรมรกรรมอยู่ควรทําอย่างไรควรท่องต่อไปเรื่อยๆทั้งๆ ท, ท, ที่ฟุ้งซ่านเลยใช่ไหมเจ้าคะ่ะได้ต้องท่องไปเรื่อยๆถ้าเราไม่หยุดท่องเดี๋ยวความฟุ้งซ่านมันก็หยุดเองตอนเริ่มต้นจิตมันคิดมากอยู่แล้วเหมือนกับรถที่วิ่งอยู่เร็วๆวิ่งอยู่ร้อยกิโลเราไปแตะเบรคปัป๊บมันจะจอดทันทีได้ไหมไม่ได้หรอกมันก็ต้องช้าลงช้าลงไป ถ้าเราเหยียบเบรคไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็จะจอดแต่มันอาจจะจอดอีกสองรอยเมตรข้างหน้ามันไม่ได้พอแตะเบรคปัป๊บมันจะหยุดปั๊บที่ไหนพอเราเริ่มพุโทโธปับ๊บความพุ่งซ่านมันจะหยุดที่ไหนมันไม่หยุดหรอกมันก็ยังคิดต่อไปก็ปล่อยมันคิดไปเราก็ตะเหยียบเบรกไปเราก็พุโทโธพุโทโธไปถ้าเราพุโทโธไม่หยุดแล้วเดี๋ยวความพุ่งซ่านมันก็ต้องหยุดเองคุณรวีวรรณตอนนี้คุณแม่อายุแปดสิบสามปี คุณแม่โทรคุยกับลูกชายพอคุยจบแล้วสักพักใหญ่ๆนอนเฉยๆบอกว่ากำลังคุยกับลูกชายอยู่ซึ่งจริงๆลวแล้ ว, ลวเลิกคุยนานแล้วแสดงว่าเป็นความคิดในใจคุณแม่ใช่ไหมอย่างนีหง้หลงใช่ไหมคะควรทำอย่างไรคะก็ปล่อยแกไปเราจะทำไง ไ, ได้เป็นเรื่องของแกหมดแล้วแหละมีใครอยากจะถามไหมเดี๋ยวมีข้างหลังส่ง ไ, ไปให้ เดี๋ยวป้นหนึ่งเดี๋ยวเอาไมโครโฟนจะได้ยิ N, ทนทั่วถึงกันรับเดียวเนี่ยเชิญอันบุญในการทำหาญาติที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะเราทำสักฆทานให้แต่บางท่านบอกว่าเอ๊ะไม่ได้เพราะว่ายังฝันเห็นญาติอยู่นั่นหมายถึงว่าสะพานบุญหมายถึงพระ บางบางรูปเขาไม่ได้ปฏิบัติแบบเต็มที่นั่นหมายถึงว่าญาติเราก็จะไม่ได้แบบนี้นะคะความฝันของเรามันไม่ได้เป็นความจริงหรอกเราคิดถึงเขาเราก็ฝันถึงเขาได้ไม่ได้มาความว่าเขามาหาเรา<อ>ทีเราเพียงจะทําเผื่อไว้เท่านั้นเองว่าเผื่อบางที่เราฝันแล้วเข้ามาหาเราจริงๆตามที่เราฝันก็เราก็จะได้ทําบุญส่งไปให้เขาได้แต่ความเป็นจริงแล้วบางทีเขาไม่ได้มาเข้าฝันเราหรอกเราคิดถึงเขาเอง ถ้าเขาถ้าอยากจะรู้ว่าเขาเข้ามาจริงหรือไม่ต้องคุยกับเขาได้สอบามถามทุกทิเดเลยว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วเป็นอะไรบ้างสบายดีหรือเปล่าจาชื่อเราได้หรือเปล่าจาชื่อเขาได้หรือเปล่าเนี mm ่ hmm. ต้องคุยกันไม่ใช่วุววว่นวบ่นวุ่นวั่ฝันแล้วก็มาตู่ว่าเขามาเข้าฝันเราเนไม่เกี่ยวหรอกเรื่องสะพานบุญไม่เกี่ยวทําบุญกับใครก็ได้ mm hmm. อยู่ที่การเสียสละแบ่งปันของเราบุญนะไม่ได้อยู่ที่สะพานดู ต่อไปปวดแล้วใช่ไหมมีใครอยากจะถามไหมถามได้นะเพราะว่าเดี๋ยวไม่ถามจะเลิกกันาะไม่มีน ะ, ะ, ะนับหนึ่งสองสามนับถอยหลัง <c oughs> โอเคก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เธอความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ